ท่านหนงมาเยี่ยมเป็นนักบวชหรือกว่าบาดหลวงในศาสนาคริสต์ตาแหน่งท่านเป็นมุขนายกชาสมัยก่อนรัฐบาลสังคราชแต่ว่าสังคราชในศาสนาคริสต์ก็มีมีหลายท่านในเมืองไทยก็มีสิบบวชนาคเรียกอักคราสังคราชอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าตัวท่านเองนี้เป็นมุขนายกเรียสังฆมณฑลนครราชสีมา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 เป็นศัตรูของศาสนาของตัวเช่นฮินดูนี่ก็มองว่าศาสนาอิสลามนี้มาลุกลานศาสนาฮินดูตั้งแต่3 400ปีที่แล้วหรือว่าถ้าเป็นศาสนาอยู่กับอิสลามในตะวันออกกลางนี่ก็ถึงขั้นว่ามันเป็นปฏิปักษ์กันมาเกือบ2000ปีแล้วเรียว่าตั้งแต่เกิดมีศาสนาอิสลามขึ้นมาก็ปะทะ ก, กันมีความเชื่ออย่างนั้นมีความเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างนั้น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 ทับการนิสถานพระเจ้าสั่งให้บุญอีลักษ์พูดอย่างนี้เลยบิลเด้งก็บอกเหมือนกันพระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ถล่มอเมริกาได้มิพอยึดติดถึงมรลคบรรยากาศเป็นเอาพระเจ้ามาเข้าข้างตัวแล้วก็ทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนพระเจ้าบอกว่าอยากฆ่าเป็นบัญญัติศิล ป, ประการข้อแรกเลยเจ้าต้องไม่ฆ่ายี่งนฆ่ากันใหญ่เลยอันนี้ก็พระอิทธิพลของาศาสนา